ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านดับไฟขนาดนะถ้้ฟังคำแนะนำสั็จน้อยการเจริญพระกรรมฐานของทุกท่านได้ขอให้ทุกคนรวบรวมกำลังใจคำว่าสมาธิจิตจะหมายความว่าตั้งใจอยู่เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอสมา